จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27พฤ ศ, ศจิกายนพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญบุญบารมี เพื่อความสุขและความเจริญแก่ชีวิตจิตใจเป็นการเป็นความสุขและเป็นความเจริญที่แท้จริงและถาวรเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงเพราะเราสามารถเอาไปกับเราได้หลังจากที่เราตายไปแล้ว สมบัติอย่างอื่นนั้นเราไม่สามารถเอาไปได้แต่สมบัติภายในเรียกว่าอริยทรัพย์หรือบุญบารมีนี้เป็นสมบัติที่เรา เ, าเอาติดตัวไปกับเราได้เป็นของเราจะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดมีแต่บุญบารมี ที่เราได้มาเพ่นมาบำเพ็ญกันนี้จะที่จะไปกับเราที่จะเป็นของเราไปตลอดไม่มีใครสามารถที่จะมาแย่งจากเราไปได้ถ้าเราทำมากเราก็จะได้มากถ้าเราทาน้อยเราก็จะได้น้อยขึ้นอยู่กับการกระทำเป็นหลัก ดังนั้นเราจึงควรมีความอุตสาหะมีความภาคเพียรในการสร้างบุญบารมีให้มีมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เพราะอนิสงค์คือความสุขก็จะมีมากขึ้นความเจริญของจิตใจก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจิตใจจะยกระดับจากปุถุชนขึ้นไปเป็นเทพเป็นพรหม เป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดเป็นผลที่เกิดจากการมาบำเพ็ญบุญบา ร, รมีอย่างต่อเนื่องบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราบำเพ็ญ น, นั้นก็มีอยู่สิประการด้วยกันคือหนึ่งทานการให้สองศีลการ ละเว้นจากการฆ่าทำบาป 3. <c oughs> การภาวนาคือการชำระใจให้สะอาด 4. <c oughs> การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล 5. <c oughs> การอนุโมทานาบุญ 6. <c oughs> ก, การรับใช้ผู้อื่น 7. ก <c oughs> <c oughs> ารอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ8การมีความเห็นที่ถูกต้อง9การฟังเทศฟังธรรมและ10การแสดงธรรมนี่คือบุญชนิดต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทได้หมั่นบำเพ็ญการอยู่เรื่อยๆ เพื่อประโยชน์คือความสุขและความเจริญที่แท้จริงและถาวรที่จะตามมาต่อไปดังนั้นเราจะไม่ควรแต่ทำบุญให้ทานอย่างเดียวเพราะยังมีบุญอีกถึง9ก้าชนิดด้วยกันที่เราควรจะทำไปตามเวลาที่เหมาะสมเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ที่ควรที่จะทำเราก็ควรจะทำไปทําบุญให้ทานนี้ก็เป็นการทําที่เราทําอยู่เป็นปกติ mm hmm. เช่นเวลาพระมาบินทบาตเราก็ใส่บาตรหรือเรามาวัดเราก็นําเอากับข้าวขบปลาอาหารของขาวของหวานมาถวายให้แก่พระ การทำบุญให้ทานนี้ท่านถือว่าเป็นการให้อาหารแก่ใจเหมือนกับเราให้อาหารแก่ร่างกายบุญก็เป็นอาหารของใจใจเวลาที่ได้ทำบุญคือการให้ทานแล้วก็จะมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจไม่หิวไม่หิวไม่อยากมากจนเกินไป ถึงแม้จะมีความหิวอยู่บ้างแต่ก็จะไม่มีอำนาจที่จะทาให้ต้องไปทำบาปทำกรรมเพื่อที่จะได้เอาอาหารมาให้แก่ใจคือเอาอาหารมาให้แก่กิเลสเสียส่วนใหญ่เพราะความอยากที่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้นั้นเป็นการให้อาหารแก่ กิเลสตัณหาถ้าเราทำตามความอยากต่างๆเช่นอยากจะไปเที่ยวอยากไปซื้อของฟุม่มเฟือยต่างๆอย่างนี้เป็นการส่งเสริมให้กิเลสตัณหาให้เจริญเติบโตมากขึ้นไปกิเลสตัณหาเจริญเติบโตมากขึ้นไปเท่าไหร่ก็จะทำให้ใจมีความหิว มีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้นในทางตรงข้ามถ้าเราไม่ทำตามความอยากของกิเลสตัณหาแต่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือแทนที่จะเอาเงินทองนี้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเราก็เอามาทำบุญให้ทานตักบาท ซื้อข้าวของต่างๆที่จาเป็นต่อการครองชีพของพระภิกษุสัมเณเราก็จะได้ให้อาหารกับใจแล้วก็บีบหรือว่าไม่ให้อาหารกับกิเลสตัณหาก็จะทำให้กิเลสตัณหานี้อ่อนกำลังลงตัวเล็กลงความหิวความอยากที่จะไปเที่ยวอยากจะไปซื้อของฟุ่งเฟือยต่างๆ ก็จะลดลงไปทุกครั้งที่เรามีเงินแล้วเกิดความอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยแล้วเราฝืนใจฝืนความอยากแล้วนำเอามาทำบุญให้ทางแทนใจของเราก็จะมีความอิ่มเพิ่มมากขึ้นไปความอยากไปเที่ยวอยากไปซื้อข้าวของฟุฟ่มเฟยต่างๆ ก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดจะไม่มีความคิดอยากจะไปเที่ยวที่ไหนอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆแต่กลับอยากจะมาวัดมาทำบุญให้ทานแล้วก็มาทำบุญอย่างอื่นตามลาดับต่อไปคือพอเราทำทานได้อย่างสม่าเสมอแล้วใจของเราก็จะมีความเมตตาจะไม่ชอบเบียดเบียน จะไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเราก็จะอยากจะรักษาสิ่งหรือรักษาสี่งได้อย่างง่ายดายไม่เหมือนกับผู้ที่ไม่ทำบุญให้ทานใจจะมีแต่ความอยากมีแต่กิเลสตัณหาอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้พออยากได้มากๆแล้ว ถ้าไม่มีปัญญาที่จะหามาได้ด้วยความสุจริตก็จะหามาด้วยความุกจริตก็คือการไปทำผิดศีลไปค่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประเทศผิดโดยดีไปพูดปดเซไปพูดปลดโกรก ห, หลอกลวงผู้อื่นเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการมาแต่ผู้ที่เคย ให้ทานอยู่อย่างสม่ำเสม อ, อนั้นจิตใจจะมีแต่ความเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบทำความสุขให้แก่ผู้อื่นดังนั้นก็จะไม่ชอบทำบาปจะไม่ชอบทำความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเวลารักษาสิ่งจึงรักษาได้อย่างง่ายดายเมื่อมีศิ่งแล้วใจก็จะมีความสงบมากขึ้นจะเห็นความสุข ที่เกิดจากความสงบของใจตั้งแต่ระดับการให้ทาน ม, มาการให้ทานก็ทำให้กิเลสตัณหาสบงบระงามตัวลงไปทำให้ใจสงบลงเวลาใจสงบลงก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นมีความสบายใจเพิ่มมากขึ้นก็เลยอยากจะทำให้มีความสงบมากขึ้นก็จะสนใจต่อการภาวนา ต่อการทำสมาธิและการเจริญปัญญา mm hmm. พอภาวนาได้ใจก็จะสงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะมีความสุขได้อย่างเต็มที่ได้อย่างตลอดเวลาเป็นความสุขของพระนิพพานเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้มีไว้เป็นสมบัติ ไว้เป็นครอบครองนี่ก็คือเกิดจากการภาวนาแต่การภาวนานี้ก็จำเป็นจะต้องมีการสนับสนุนจากบุญอีกอย่างหนึ่งก็คือการฟังเทศฟังธรรมเพราะการภาวนานี้เป็นงานที่ละเอียดเป็นงานที่พวกเราไม่รู้จักกันมาก่อน ตั้งแต่เกิดมาและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราไปเรียนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆก็ไม่มีความรู้ที่จะสอนความรู้ชนิดนี้ได้นอกจากการมาวัดหรือการได้อ่านได้ฟังได้ยินพระธรรมเทศนาของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมา จนถึงพระอริยบุคคลในที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากบุคคลเหล่านี้เราจะได้รู้จักวิธีการทำจิตใจให้สงบรู้จักวิธีนั่งสมาธิรู้จักวิธีเจริญปัญญารู้จักว่าการเจริญปัญญานี้เพื่ออะไร การจเจริญปัญญานี้ก็เพื่อให้มีความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองขณะนี้ใจของพวกเราทั้งหลายยังมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องคือไม่เห็นตรงหลักความจริงเรามักจะมองไม่เห็นความไม่เที่ยงเราจะไม่เห็นความทุกข์จะไม่เห็นความไม่มีตัวตนในสิ่งต่างๆแม้แต่ร่างกายของเรานี้ ก็ไม่มีตัวตนเป็นการเป็นเพียงอาการ32เช่นผมขนและฟันหลังเนื้อเอ็ดกระดดดที่มารวมตัวกันให้เป็นปรากฏเป็นร่างกายขึ้นมานี้เท่านั้นและสิ่งที่ทําให้อาการ32นี้ปรากฏขึ้นมาได้ mm hmm. ก็คืออาหารที่รับประทานเข้าไปน้ำที่ดื่มเข้าไป อากาศลงหายใจที่หายเข้าไปแล้วก็ความร้อนที่ได้มาจากพลังแสงอาทิตย์และความร้อนที่ได้จากอาหารทำให้ร่างกายนี้มีชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่องได้แต่ร่างกายนี้ก็เป็นเพียงองค์ประกอบหรือสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟนั่นเอง เหมือนกับรถยนต์ที่ประกอบขึ้นจากวัสดุต่างๆเช่นโลหะหรือพลาสติกหรือแก้วต่างๆนี้เองเมื่อมาประกอบกันเข้าแล้วก็ปรากฏเป็นรถยนต์ขึ้นมาตัวรถยนต์นี้ไม่มีตัวตนฉันใดตัวร่างกายนี้ก็ไม่มีตัวตนฉันนั้นตัวที่มาให้ตัวตนนี้ ก็คือใจหรือผู้ที่ขับรถรถยนต์เวลาเราไปซื้อรถยนต์มารถยนต์ก็เลยกลายเป็นตัวเราเป็นของเราไปเวลาเกิดอะไรขึ้นกับรถยนต์เราก็มีอาการตามไปด้วยเวลารถเสียก็เกิดความเสียใจตามไปด้วย mm. เช่นเดียวกับร่างกายพอเรามาได้ร่างกายมาเป็น เป็นสมบัติของเราเราก็ถูกความหลงหลอกให้เราคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสั่งสอนให้เราพิพจารณาให้เราแยกแยะร่างกายดยูเราจะไม่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวตนเลยแต่ถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ลองแยากชิ้นส่วนต่ตางๆของร่างกายนี้ออกมาไว้เป็นกองๆแล้วเราก็จะมาไม่สามารถหาตัวตนในชิ้นส่วนเหล่านั้นได้เลยเช่นถ้าเราเอาผมมากองไว้เอาขนมากองไว้เอาเล็บมากองไว้เอาฟันเอาหนังเอาเนื้อเอาเอ็นเอากระดูกมากองไว้เราก็จะเห็นว่ามีเพียงแค่อาการ32มินี้เท่านั้น มีผมขอนเลือฟันนังเนื้อเอนกระดูกเป็นต้นไม่มีตัวเราไม่มีตัวของเราอยู่ในสิ่งเหล่านี้เลยเพราะว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟนั่นเองถ้าเวลาร่างกายตายไปดินน้ำลมไฟก็จะแยกทางกันไปน้ำที่ในร่างกายก็จะไหลออกไปลงที่มีอยู่ในร่างกายก็จะระเหอยออกไป ความร้อนที่มีอยู่ร่างกายก็จะแยกออกไปหรือแต่ส่วนที่แข็งเช่นอวัยวะต่างๆกระดูเนื้อหนังเห็นถ้าทิ้งไว้เรื่อยๆก็จะแห้งกรอบกลายเป็นดินกลายเป็นฝุ่นไปนี่คือความเห็นที่ถูกต้องที่พวกเราควรที่จะศึกษาดูอยู่เรื่อยๆถ้าเราศึกษาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไป เราจะเห็นว่าเป็นเพียงร่างกายเท่านั้นเองเป็นเพียงอาการ32เป็นเพียงลินน้นุมไฟไม่ใช่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยาสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าสมมุติหรือชื่อที่เราเอาไปแปะติดไว้กับร่างกาย ว่าร่างกายคนนี so, age, ้เป De <th> hmm. ็นพ่อร <th> <th> ่างกายคนนี้เป็นแม่ร่างกายคนนี้เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาแต่ความจริงเป็นเพียงร่างกายเป็นเพียงอาการสาสิบองผู้ที่เป็นพ่อที่เป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องนี้ไม่ใช่ร่างกายคือเป็นใจเป็นใจที่ได้มาครอบครองร่างกาย เป็นเหมือนคนขับรถที่ได้มาขับรถรถคนขับรถกับรถนี้เป็นคนละส่วนกันฉั้นใดใจและร่างกายก็เป็นคนละส่วนกันเวลาที่ร่างกายตายไปคนที่ขับร่างกายนี้ก็ไม่ได้ตายไปด้วยคนที่ขับร่างกายนี้ก็คือใจเช่นเวลาพ่อตายแม่ตายไปก็เป็นเพียงการตายของร่างกาย ของพ่อของแม่เท่านั้นเองแต่ตัวพ่อตัวแม่นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวพ่อตัวแม่ก็ไปตามบุญตามกรรมต่อไปไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาถ้าไม่มีกิเลสตัณหาปรักดําไป <c oughs> ก็ไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่คือไม่ต้องไปเกิดใหม่เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย ท่านได้ชำระใจของท่านของท่านจนสะอาดโดยสุดปราศจากความอยากต่างๆแล้วเวลาที่ร่างกายตายไปใจของท่านก็ไม่ไไปหาร่างกายหม่เพราะไม่มีความอยากเหมือนกับถ้าเราอยู่บ้านแล้วเราไม่อยากออกข้างนอกเราก็จะไม่ต้องไปหารถมาขับไปตามสถานที่ต่างๆ ใจของเรานี่แหละที่ไปเกิดใหม่ตามอำนาจของความอยากต่างๆแต่ถ้าเราสามารถภาวนาคือนั่งสมาธิเจริญปัญญาจนสามารถทำให้ความอยากต่างๆทั้งหลายหมดออกไปจากใจได้แล้วเราก็จะไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่อีกต่อไป เหมือนกับคนที่ไม่อยากออกไปข้างนอกบ้าน <c oughs> ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อรถยนต์คันหม่ถ้ารถยนต์คันเกา่าหมดสภาพไปก็ทิ้งมันไปเพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถยนต์เอกต่อไปนี่คือการนี่คือบุญอันสูงสุดเพราะว่าการมีร่างกายนี้เป็นความทุกข์อย่างมาก มีร่างกายก็ต้องทุกข์ยากลำบากกับการเลี้ยงดูร่างกายทุกวันนี้ที่เราต้องวุ่นวายกันก็เพราะมีร่างกายอยันนี้ต้องหาอาหารม า, า, ารับประทานหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคหาเครื่องนุ่งห่มมาให้กับร่างกายแล้วก็ต้องเสี่ยงภัยกับภยัยต่าง ไม่ว่าจะเป็นภัยทางธรรมชาติเช่นไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวพายุคต่างๆแล้วก็ภัยที่เกิดจากบุคคลต่างๆเช่นโจรผู้ร้ายหรือผู้ไม่หวังดีทั้งหลายถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ก็จะไม่ต้องมาทุกข์กับภัยต่างๆเหล่านี้ ผู้ที่ฉลาดหรือผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องก็จะตั้งเป้าไว้ที่การไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปถ้าเพราะว่าไม่ว่าจะกลับมาเกิดดีขนาดไหนก็ตามก็จะเป็นการมีการเสื่อมและมีการดับไปเกิดเป็นเทพเกิดเป็นคงก็จะมีการเสื่อมมีการ เสื่อมลงมาแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมหาเศรษฐีเป็นพระมหากษัตริย์ก็จะต้องตายไปเช่นเดียวกันจะต้องพัดพาจากสิ่งต่างๆไปจะต้องทุกกับเรื่องราวต่างๆที่มารุมเร้าอยู่ตลอดเวลาการมาเกิดจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะจะนําความทุกข์มาให้แก่ใจ เราจึงควรที่จะทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าการที่เรามาสร้างบุญบรารมีต่างๆนี้ก็เพื่อที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนั่นเองแต่ถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดเพราะเรายังไม่สามารถที่จะกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้อย่างน้อยการกลับมาเกิดของเราในแต่ละครั้ง ก็จะกลับมาเกิดในภพที่ดีกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะดีมีความมีรูปร่างหน้าตาดีมีสติปัญญาดีมีมีสุขภาพาร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวนานเพื่อที่เราจะได้มาบำเพ็ญบุญบารมีต่างๆต่อไปอีกจนกว่า เราจะสามารถบรรลุถึงพรานิพ่านได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบำเพ็ญมาในแต่ละภพแต่ละชาติแต่ถ้าพวกเราได้มาเกิดในสมัยที่มีพระพุทธศาสนามีคำสอนเราก็จะไม่ต้องเสียเวลาบำเพ็ญบารมีหลายหลายหลา ย, หลา ย, ห, ลายหลายชาติด้วยกันเพราะเราสามารถที่จะ ทำใจของเราให้บริสุทธิ์ตัดความอยากต่างๆชำระความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้ภายในชาตินี้เลยเพราะเรามีแสงสว่างนําทางคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เองถ้าไม่มีแสงสวถ้าไม่มีแสงสว่างคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เราก็เป็นเหมือนคนที่เดินในที่มืดนั่นแหละถ้าเดินในที่มืดเราจะมองไม่เห็นทางเราจะไม่รู้ว่าทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกอยู่ทางใดเราก็จะไม่รู้ว่าทางที่จะพาให้เราไปสู่พระนิพพานนั้นอยู่อยู่ตรงไหนอยู่ทางใดไปอย่างไรแต่พอเรามีแสงสว่าง เช่นถ้าเราอยู่ในที่มืดแลวเรามีไฟฉายหรือว่าถ้ามีพระาทิตโผล ข, ขึ้นมาเราก็จะสามารถเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราไดา้เหมือนที่เรากำลังเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือความหมายหรือความจริงของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนแสงสว่างผู้ที่อยู่ในที่มืดนั้นจะ ไม่สามารถเห็นอะไรได้แต่พอมีแสงสว่างแล้วก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ใจของผู้ทุชนคือของพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนผู้ที่อยู่ในที่มืดก็ถูกโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้ครอบงำจิตใจทำให้เราไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆทำให้เราไม่เห็นความทุกข์ของสิ่งต่างๆ ทำให้เราไม่เห็นความไม่มีตัวตนในสิ่งต่างๆเราจึงหลงไปยึดติดกับสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวเราของเราว่าจะให้ความสุขกับเราว่าจะอยู่กับเราไปตลอดอนี่คือความมืดบอดของใจพอเราได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะ เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยมมีเกิดแล้วก็มีดับไปเป็นธรรมดาร่างกายนี้มีเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาร่างกายนี้เป็นกองทุกข์ทุกข์ด้วยความลำบากยากเย็นต่างๆในการดำเนชีวิตอยู่ต้องลิ้นรดนต่อสู้เพื่อหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดู แล้วก็ต้องคอยหลบคอยป้องกันตนเองจากภัยอันตรายต่างๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์ทท้งนั้นแล้วก็เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดิ่ น, น้ำหลงไฟเป็นเพียงอาการ32ไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายนี้ตัวตนคือใจนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายเพียงแต่ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเท่านั้นเองนี่คือ สิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราก็จะได้ยินได้ฟังวิธีที่จะทำให้เราปล่อยวางสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ก็คือการปฏิบัติสร้างบุญบรารณีต่างๆนี้เเช่นทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาและฟังเทศน์ฟังธรรมนี่คือบุญหลัก บุญสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องบํงเพนกันให้มากส่วนบุญอย่างอื่นนั้นก็เราก็ทำไปตามกาลเทศะเช่นบุญอุทิศนี้เราก็ทำให้แก่ผู้ที่ร่วมรับไปแล้วเวลาที่เราทำบุญ <c oughs> การอุทิศบุญนี้ไม่จำเป็นจะต้องรอให้พระมาสวดยาถาสัพพีไม่มีพระสวดยาถาสัพพีเราก็อุทิศบุญได้ และไม่ต้องมีน้ําก็ก็อุทิศได้เพราะน้ําไม่ใช่บุญเพระสงฆ์ก็ไม่มีบุญให้เราบุญนี้ต้องเกิดจากการทําบุญให้ทานอย่างที่ท่านมาทํากันวันนี้เพราะจะทําให้เรามีความอิ่มใจมีอาหารใจคือบุญเราก็สามารถแบ่งอาหารใจนี้ให้แก่ดวงวิญญาณที่ยังไม่มีอาหารรับประทานได้ดังนั้น ถ้าเราทำบุญแล้วเราก็ควรที่จะอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่เร่อมรับไปแล้วทั้งที่เรารู้จักและทั้งที่เราไม่รู้จักเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีใครรอรับบุญส่วนบุญส่วนนี้อยู่ถ้าผู้ที่เรารู้จักเขาไม่ได้รอรับถ้าเราไม่อุทิศให้แก่ผู้อื่นเขาก็จะไม่ได้รับแต่ถ้าเราอุทิศ เบื้องต้นเราก็อุทิศให้แก่ผู้ที่เรารู้จักก่อนเช่นเราอยากจะอุทิศให้แก่บิดามารดาผู้ย่าตาญยายผู้ที่ร่วงลับไปแล้ ว, ลวเราก็ระลึกไว้ภายในใจของเราว่าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ส, ส่วนนี้ที่ได้ทําในวันนี้ให้แก่ท่านผู้นั้นท่านผู้นี้ที่ร่วงลับไปแล้วและถ้าท่านไม่ได้อยู่ในสถานภาพที่จะรับบุญส่วนนี้แล้วก็ขอให้อุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ผู้ที่ยังต้องรอรับส่วนบุญส่วนนี้อยู่นี่เราสามารถอุทิศบุญได้ด้วยโดยที่เราไม่ต้องมีพระมายะถาสักทีไม่ต้องมีน้ำน้ํานี่เป็นเพียงอุบายหรือเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงกระแสของจิตนั่นเองกระแสของจิตนี้มันเป็นเหมือนกระแสของวิทยุมือถือของเรานี เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าฉันใดกระแสะของบุญที่เราอุทิศนี้ก็เป็นอย่างนั้นเราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าทางนักปรากเลยให้ใช้น้ำเป็นตัวอย่างเวลาเราอุทิศบุญเราก็เทน้ำลงไปในภาชนะรองรั บ, บเพื่อจะได้เห็นตัวอย่างของบุญที่กาลังไหลออกจากใจเรา ไปสู่ผู้ที่รอรับอยู่ดังนั้นเวลาจะอุทิศสนบุญส่ญสนกุศลนั้นเราสามารถอุทิศได้โดยที่ไม่ต้องไปให้พระมาสวนยถาสัพพีและไม่ต้องมีน้ำแต่ถ้าจะมีสวนมีน้ำก็ไม่เป็นปัญหาอะไรทำได้ทั้งสองรูปแบบส่วนบุญอย่างอื่นก็เช่นเดียวกันเช่นการรับใช้ผู้อื่น เวลามีผู้อืนเดือดร้อนเราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็ช่วยเหลือเขาไปเช่นในช่วงนี้มีผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมต่างๆรอรับการช่วยเหลือจากเราอยู่เราก็ช่วยเหลือเขาไปหรือเวลาที่มีคนเข้าทำบุญเราก็ร่วมอนุโมทนาบุญไปร่วมด้วยวาจา ก, ก็ได้แสดงความยินดีอย่าไปขัดขวางเขา อย่าไปห้ามเขา mm hmm. เพราะการทําบุญนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนบนประโยชน์กับผู้ทาําเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือและเป็นประโยชน์กับผู้ที่อนุโมทนาบุญผู้ที่อนุโมทนาบุญก็จะได้บุญคือความรู้สึกที่ดีไปด้วยถ้าไม่อนุโมทนาแต่กับไม่เห็นด้วยกับไม่ชอบไม่อยากให้ผู้อื่บุญ ตัวเองก็จะเกิดความเศร้าหมองขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาดังนั้นถ้าเรารู้ว่ามีผู้ที่เขาทําบุญแล้วเราก็รู้เราก็ควรจะอนุมโมทนาด้วยวาจา ก, ก็ได้หรือถ้าเราจะร่วมด้วยการสมทบบริจาคสิ่งของเงินทองไปร่วมทำบุญด้วยก็ยิ่งดีใหญ่เพราะจะได้บุญอีกตอนนึง ก็คือจะได้ทานบุญที่เกิดจากการให้ทานอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกาลเทศะกับเวลาว่าเราอยู่ในสถานที่ใดเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหรือไม mm hmm. ่เช่นเดียวกับการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาคารวะ mm hmm. เวลาที่เราอยู่คนเดียวเราก็ไม่ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาคารวะ mm hmm. แต่เวลาที่เราอยู่ต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้ที่สูงกว่าเราเราก็ต้องมีสัมมาคารวะแต่ถ้าเราอยู่กับผู้ที่อ่อนกว่าเราเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีสัมมาคาระะต้องรู้จักใช้รู้จักทำบุญให้ถูกกับการถูกเวลาเช่นเดียวกับการการแสดงธรรมการแสดงธรรมนี้เราก็จะต้องมีธรรมก่อนเราึงจะแสดงนั้นได้เราต้อง มีดวงตาเห็นธรรมก่อนหรือเราได้ศึกษาจากหนังสือมาก่อนพอที่จะรู้ว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างแต่การจะแสดงก็ต้องแสดงต่อผู้ที่เขายินดีฟังไม่ใช่ว่าเรายอยากแสดงเจอใครก็เรียกเขามาพูดมาฟังว่าทำอย่างนั้นนะทำอย่างนี้นะทําบุญแล้วได้ไปสวรรค์ทำบาปแล้วได้ไปนรก ถ้าเขาไม่อยากฟังเขาก็จะหังคาดังนั้นการแสดงธรรมนี่การหลับแล้วต้องมีการอาราธนาก่อนคือต้องผู้อยากจะฟังต้องบอกเจตนาลมก่อนว่าอยากจะฟังธรรมจากท่านช่วยช่วยแนะนำหน่อยว่าต้องต้องทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างถึงจะได้บุญถึงจะหายจากความทุกข์ ถ้าเขาไม่ได้มาขอร้องไม่ได้มาอาราธนาก็ไม่ควรที่จะไปแสดงเพราะเป็นเหมือนกับเทน้าใส่แก้วที่เขาที่คว้ามาไว้นั่นเองเทเข้าไปเท่าไหร่ก็จะไม่มีน้ำติดอยู่ในแก้วเพราะไม่ได้หงายแก้วขึ้นมาแต่ถ้าเขาหงายแก้วขึ้นมาแล้วเขามาขอน้ำเราก็ควรจะเทให้กับเขาเช่นเดียวกับการแสดงทําให้แก่ผู้อื่น ก็ต้องให้เขาอยากจะฟังจริงๆหรือการเอาหนังสือธรรมะไปแจกก็เช่นเดียวกันก็ต้องเอาไปแจกแก่ผู้ที่เขาอยากจะได้จริงๆอย่าเอาไปแจกให้กับคนที่เขาไม่อยากได้เพราะไม่เกิดประโยชน์เขารับไปแล้วเขาก็อาจจะเอาไปวางไว้เฉยๆหรือเอาไปทิ้งเลยก็ได้ไม่เกิดประโยชน์นี่คือการทําบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรา มันทำกันอยู่เรื่อยๆตามการตามเวลาตามความเหมาะสมเมื่อเราทำแล้วจิตใจของเราก็จะเจริญก้าวหน้าความสุขในใจก็จะมีมากขึ้นสถานภา พ, าพจิตใจของเราก็จะสูงขึ้นเป็นเทพมากขึ้นเป็นพรหมมากขึ้นเป็นพระอริยบุคคลมากขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุด จึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติวันเปลี่ยนทะนีีขอคุณพระศรีรัตนตรายละบุญกุศล